อย่าเป็นคนไร้การศึกษาในการแต่งงานด็อเตอร์แคทเทอรีนบีเมนเดวิสเลขานุการใหญ่แห่งองค์การอนามัยครั้งหนึ่งเคยชวนเชิญผู้หญิงที่แต่งงานแล้ว 1,000 คนให้ตอบไม่ได้อำพรางต่อคำถามเป็นส่วนตัวชุดหนึ่งผลแห่งคำตอบนี้ได้ก่อให้เกิดความตื่นเต้นอย่างที่สุด ตื่นเต้นอย่างไม่น่าเชื่อในข้อที่ว่าชายหญิงอเมริกันส่วนใหญ่ปราศจากความสุขในทางการมารม์หลังจากพิจารณาคำตอบซึ่งหลอนได้รับจากหญิงที่แต่งงานแล้ว 1,000 พันคนเหล่านั้นดอกเตอร์เดวิดได้จัดพิมพ์โดยไม่ได้รีรอยืนยันความเชื่ออย่างแน่นแฟ้นของหลอนว่าสาเหตุสำคัญแห่งการหย่าร้างในสหรัฐเกิดจากความบกพร่องในการปฏิบัติทางร่างกาย ตามผลสำรวจของดรยีวีแฮมมินตันปรากฏว่าแตกต่างกับการค้นคว้าที่กล่าวแล้วดรแฮมมินตันใช้เวลา4ปีในการศึกษาการแต่งงานของชาย100คนและหญิง100คนเขาตั้งคำถามแก่ชายหญิงเหล่านี้เป็นส่วนตัว400ประโยคเกี่ยวกับชีวิตการแต่งงานของเขาและลอนและสนทนาโต้อตอบกับคนเหล่านี้ถึงปัญหาต่างๆอย่างละเอียดพิสดาร ละเอียดพิสดารจนการสำรวจนี้กินเวลาถึงสี่ปีงานนี้นับว่าเป็นงานสำคัญแก่สังคมมนุษย์ดังนั้นค่าใช้ใจ่ายต่างๆจึงได้รับการอนุเคราะห์จากบุคคลใจบุญนามโด่งดังกลุ่มหนึ่งท่านอ่านผลของการค้นคว้าได้ในหนังสือเรื่องความบกพร่องของการแต่งงานมีอะไรบ้างโดยด็อเตอร์วียีแฮมมินตันและเคนเนตและเคนเนตแมกกวันเอาละ่ะ ความบกพร่องของการแต่งงานมีอะไรบ้างจิตแพทย์บางคนลำเอียงและขาดความไตรตรองดอตอ็ตรแฮมมินตันกล่าวเมื่อเขาพูดว่าความบาดหมางระหว่างคู่แต่งงานไม่ได้เกี่ยวกับการปรับปรุงกามารมณ์ให้เป็นที่พอใจต่อกันในเมื่อตามความเป็นจริงความบาดหมางจะเกิดมาจากสาเหตุใดๆก็ตามคู่แต่งงานส่วนมากมักจะมองข้ามไปเสียถ้าหากว่าความสัมพันธ์ทางการมารมเป็นที่พอใจต่อกัน ด็อกเตอร์ปอนปบโนผู้อำนวยการสถาบันแห่งสัมพันธภาพภายในครอบครัวในเมืองลอสแอนเจลิสทำการสัมภาษณ์ผู้แต่งงานแล้วหลายพันรายและท่านผู้นี้เป็นนักเขียนหมายเลขหนึ่งของสหรัฐเกี่ยวกับด้านชีวิตทางบ้านตามความคิดเห็นของด็อกเตอร์ปบโนความล้มเหลวในการแต่งงานมักจะเนื่องมาจากสาเหตุ4ประการเขาลำดับสาเ ห, เหตุเหล่านั้นไว้ดังต่อไปนี้ 1. ไม่ได้ปรับปรุงกามารม์ให้เป็นที่พอใจต่อกัน 2. ความคิดเห็นขัดแย้งกันในการใช้เวลาพักผ่อนหย่อนใจ 3. การเงินฝืดเคือง 4. จิตใจร่างกายหรืออารมณ์ผิดปกติโปรโดสังเกตว่ากามารม์อยู่ในอันดับหนึ่งและช่างหน้าประหลาดเสียจริงๆที่เรื่องการเงินอยู่อันดับสของรายการนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายการยาร้างทุกคน ต่างมีความเห็นสอดคล้องต้องกันว่าคู่แต่งงานมีความจําเป็นโดยแท้จริงที่จะต้องให้ความปรารถนาในการมารมณ์เป็นที่พอใจด้วยกันทั้งสองฝ่ายเป็นต้นว่าเมื่อไม่กี่ปีมานี้ท่านผู้พิพากษาฮอบมันแห่งศาลคดีในครอบครัวของเมืองซินซินนาติผู้เคยฟังเรื่องบาดหมางอันพึงสะลตใจของคู่แต่งงานมาแล้วหลายพันรายเปิดเผย ก้าในสิบรายของการหย่าร้างมีสาเหตุมาจากความไม่ราบรื่นทางกามารม์กามารม์ยอนบีวัตสันนั ก, กจิตวิทยานามอุโคตกล่าวได้ยอมรับกันแล้วว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างที่สุดของชีวิตได้ยอมรับกันด้วยว่ากามารม์นี่เองคือสาเหตุสำคัญที่สุด ที่ประหัตประหารความสุขของชายหญิงทั้งหลายและข้าพเจ้าเองก็เคยฟังในแพทย์หลายคนพูดอย่างเดียวกันหน้าชั้นการศึกษาภายใต้การสอนของข้าพเจ้ามันน่าเวทนาไหมที่ศตวรรษที่ยี่สิบ ท, ทั้งๆมีหนังสือตำรับตำราเป็นอันมากและมีการศึกษาเล่าเรียนกันร้อยสี่ร้อยอย่างการแต่งงานยังคงถูกทำลาย และความสุขย่อยยับลงจากการเฉยเมยที่จะเอาใจใส่ต่อสิ่งสำคัญสูงสุดและเป็นสัญชาตญาณตามธรรมชาตินักบวชโอลิเวอร์เอ็มบัตเตอร์ฟิลหลังจากใช้เวลา18ปีในการเป็นนักเทศในโบส์ตามลทัทธิโปรเตสแตนต์นิกายเมทอดิสยอมละทิ้งหน้าที่นี้ไปปฏิบัติงานผู้นำทางแห่งครอบครัวในนครนิวยอร์ก ซึงเขาได้ทําพิธีแต่งงานให้แก่หนุ่มสาวมาแล้วมากมายยิ่งกว่านักบวชคนใดกล่าวตอนข้าพเจ้าเป็นนักเทศเมื่อก่อนนี้ข้าพเจ้าพบความจริงว่าหนุ่มสาวแม้จะรักใคร่กันอย่างดูดดื่มซาบซึง้งและมีความตั้งใจดีต่อกันสักเพียงใดแต่ปรากฏว่ามีอยู่มากคู่จูงมือกันมาสู่พิธีแต่งงานในลักษณะของคนไร้าการศึกษาในการแต่งงาน คนไร้การศึกษาในการแต่งงานและเขาพูดต่อไปเมื่อท่านนึกเสียว่าความยุ่งยากกระหองกรแหงในการแต่งงานของท่านเป็นเรื่องของบุญกรรมช่างน่าประหลาดเสียจริงๆที่การหย่าร้างมีทางจะเกิดขึ้นได้เพียง 16% เท่านั้นมีผัวและเมียเป็นจํานวนมากอย่างน่าสะดุ้งกลัวที่ไม่ได้หย่าร้างกันแต่ทนอยู่กันด้วยความทุกข์ทรมานแทนจะมีความสุข การแต่งงานที่มีความสุขด็ตอร์บัตเตอร์ฟิล์ล่าวหายากนักที่จะบรรดาลดยบุญกรรมแต่มาจากการก่อสร้างตามแผนผังซึ่งวางไว้อย่างเฉลียวฉลาดและถี่ท่วนรอบครอบเพื่อช่วยเหลือในการวางแผนผังของคู่แต่งงานด็ตอร์บัตเตอร์ฟิล์ใช้เวลาหลายปีตลอดมาขอร้องให้คู่แต่งงานซึ่งเขาจะทำพิธีให้สนทนากับเขาอย่างตรงไปตรงมาถึงแผนผังในอนาคตของเขาเหล่านั้น ผลจากการสนทนากับคู่แต่งงานนี่เองเขาจึงวินิจฉัยลงไปว่ามีคู่แต่งงานจำนวนมากเป็นคนไร้การศึกษาในการแต่งงานกามารมดร์บัตเตอร์ฟิกล่าวเป็นสิ่งหนึ่งในบรรดาห ล, หลายๆสิ่งซึ่งต้องการความพึงพอใจจากชีวิตแต่งงานแต่ถ้าหากว่าความสัมพันธ์อันนี้ไม่ได้ดำเนินไปโดยเรียบร้อยสิ่งต่างๆก็จะขาดความเรียบร้อยตามไปด้วยแต่จะปฏิบัติอย่างไรเล่า จึงจะทำให้มันเรียบร้อยการเก็บงำความรู้สึกนึกคิดข้าพเจ้ายังคงอ้างคำพูดของดรบัตเตอร์ฟิลด์จะต้องเปลี่ยนเป็นผู้ที่สามารถสนทนาถึงเรื่องนี้ได้อย่างถูกต้องและปราศจากการตะิดตะขวงในฐานะผู้รอบรู้ในชีวิตแต่งงานมาแล้วเป็นอย่างดีไม่มีหนทางใดที่จะสแสวงหาความสามารถดังกล่าวดีไปกว่าการอ่านหนังสือที่ให้ความรู้ในเรื่องนี้ซึ่งเขียนให้ชวนอ่าน ข้าพเจ้ามีหนังสือเหล่านี้อยู่เป็นจำนวนมากรวมทั้งหนังสือเล่มเล็กๆสำหรับแจกซึ่งแต่งโดยข้าพเจ้าเองชื่อความสมัครสมานในการแต่งงานและกามารมในบรรดาหนังสือที่อำนวยประโยชน์เหล่านี้มีอยู่สามเล่มซึ่งดูเหมือนจะให้ความรู้เป็นอย่างดีในการใช้อ่านกันทั่ ว, วไปคือ The Sex Technical in m a r r i e โดย i s a b e l l h a t n The Sexual Of Marriott โดย m a x Exner, The s e x f a c t o r in Marriott โดย Helena r i h t ดังนั้นกฎที่7วิธีที่จะทำให้ชีวิตในครอบครัวของท่านมีความสุขยิ่งขึ้นก็คือจงอ่านหนังสือดีๆเกี่ยวกับการมารมในการแต่งงานศึกษาเรื่องการมารมจากหนังสืออย่างนั้นหรือทำไมไม่ลองดูเสียละท่าน เมื่อไม่กี่ปีนี้มหาวิทยาลัยโคลัมเบียโดยความร่วมมือของสมาคมอเมริกันสังคมอนามัยเชิญบุคคลมีชื่อเสียงที่คงแก่เรียนกลุ่มหนึ่งให้มาสนทนาโต้ตอบกันในเรื่องปัญหากามารมณ์และการแต่งงานของผู้ศึกษาในวิทยาลัยในการประชุมนี้ดรปอนโปบโนพูดการอย่าร้างได้ลดน้อยลงเหตุอย่างหนึ่งในเหตุทั้งหลายที่การย่าร้างลดน้อยลงเนื่องมาจาก ประชาชนอ่านหนังสือที่มีผู้รับรองแล้วเกี่ยวกับการมารมณ์และการแต่งงานมากขึ้นด้วยความสัตย์จริงข้าพเจ้ารู้สึกว่าไม่มีสิทธิ์ที่จะจบบทนี้เกี่ยวกับวิธีที่จะทำให้ชีวิตในครอบครัว ข, ของท่านมีความสุขยิ่งขึ้นโดยไม่ได้แนะนำรายการหนังสือจำนวนหนึ่งซึ่งบรรยายอย่างเปิดเผยและมีหลักวิชาเกี่ยวกับปัญหาการแต่งงานอันน่าเศร้าสลดไอเดียแมเรียดโดยทิโอโดโเฮนดริก S The s e เว l เด e ะเซ็กโดย Mary w แว e d เด n e t t The s e ซ u ก a ั่นเ of Merit โดย M.J. e x ย e r p r e p a r a t พ o n of Merit โดย Kenneth Walker Merit Love โดยมา i e ซิสโตเซ็ e อ in เม r i t โดย Ernest Ar ต์ f และ g กดีเอชก พีพาเชันฟ อ, อ, อร์เมเรตโดยออเนสอากอฟเดอร์เมเรตวูเมนโดยโรเบิร์ตเอลอรเซ็กแอนด์เดอะเลฟโดยวิลเลียมเยฟิมติง